มันถึงได้หมุนเวียนไปนอยหนึ่งก็หมุนเวียนไปหาบาปอกุศลนอยก็หมุนเวียนมาทางบุญทางกุศลสุดแล้วทั้งเสกกิเลสมันจะนำไปอย่างไรจิตใจก็หมุนไปตามมันอย่างนั้นอันนี้มันเป็นวัตตะวืน เมื่อทำกรรมดีกรรมชั่วเข้าไปอย่างนั้นแล้วภายหลังมาก็ได้สวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นท่านเรีย ว, วิปากาวัตสวยสุขบัง่งสวยทุกบัง่งผัดเปลี่ยนหมุนเรียนกันไปอยู่อย่างนี้แต่เมื่อใช้ปัญญาตรีทองดูให้ถี่ถ่วนลงไปแล้ว มันก็มีทุกข์นั่นแหละหลายกั่วสุขก็ความสุขนั่นมันเป็นความสุขชั่วคราวไอความทุกข์นี่นมันเป็นทุกข์ประจําขันถึงว่าโรคภัยไม่เบียดเวียนก็ตามร่างกายนี่นะมันก็มีทุกข์อยู่ประจําอยู่คือทุกข์เกิดจาก นั่งนานก็เป็นทุกข์เดินไปนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์จะเป็นนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ไเลยคนเรานะเางั้นนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวแล้วเราก็เป็นลมแล้วอย่างนี้นะ่ะที่ว่าถึงหลกภัยไม่เบียดเบียนมันก็มีทุกข์อยู่ เส่นปวดอุจาระปัสสาะก็เป็นทุกข์ไม่ได้ไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้ทัถ่ายเทออกไปก็เป็นทุกข์อย่างนี้หิวหลับผิวนอนเมื่อไปได้นอนก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกประจําวันทุกร่างกายมา น, นี่ทุกทาง จ, จิตใจใจนั้นเมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่ ทบไอ้พออกพอใจก็เสียใจก็โกรธเกลียดมันก็ทำให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาทำอะไรลงไปแล้วไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจอย่างนี้นะถ้ามีใครมาแสดงตนเป็นศัตรูเอาลุกลาน อยู่ไม่หยุดหย่อนอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แล้วหนักใจไปเงนินไปความทุกข์ประจําวันของคนเรานี่น่ะมันมีอยู่ยนั่นทุกกายทุกใจแต่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายผู้ประพฤติ ธ, ธ ร, รมปฏิบัติธรรมจนรู้ธรรมเห็นธรรมของจริงขึ้นมาในใจแล้วอย่างนี้ก็สิ่งใดที่ไม่จริงก็เลยไม่ยึดถือเอาไว้ ยึดถือเอาไว้แต่สิ่งที่มันจริงเท่านั้นได้ ว, ว่าทำของจริงแล้วไม่ต้องยึดถือมันมีอันเดียวมีอันเดียวเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องยึดถือเมื่อจิตอย่างเข้าถึงทำของจริงแล้วมันก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่วนไไวมันไม่มีอะไรที่จะไปซึมซาบเข้าไปได้ใน ทมของจริงก น, นั่นนะเราว่ากิเลสตัณหาก็ซึมเศร้าเข้าถูไปไม่ได้เพราะเหตุดังนั้นมันถึงไม่เป็นทุกข์ใจนั่นแหละผู้รู้ทั้งหลายนะท่านยังไม่เป็นทุกข์ดันั้นพวกเราก็พยายามฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมของจริงอย่างนั้นแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์ใจ อย่าไปติดอยู่เพียงแค่ทำรรของไม่จริงใครว่าดีมากกวดีอกดีใจไปแล้วใครว่าร้ายมากกว่าเสียใจโกรธนี่เดียว่าจิตใจมันติดอยู่แตรร่ทำทำของไม่จริงให้เข้าใจทําให้วันไว้รู้เท่าทันทั้งสองข้างสองทางเช่นว่านี้แล้วนั่นแหละจิตเข้าทำเข้าถึงทำของจริง พอมนเรียนรู้นี่ผู้ภาวนามันก็จะมองเห็นไนี่ยความเสียใจความดีใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปเฉยๆนะเห็นทุกข์ด้วยต้องรู้ด้วยปัญญาผู้ไม่มีปัญญาแล้วจะเสียใจอยู่วันไหนมันก็ไม่รู้ทัวหรอกว่าให้ความเสียใจมันเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้นไม่ไม่ได้คิดเลย ก็มีแต่เสียใจไปอยู่นั่นที่เสนี่แหละ อ, อย่างนี้นะความดีใจมากพวกนี้กหมืานกั น, นมันนึกไปได้นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปกบข้อมันไปถือเรื่องธรรมดาอันไม่ควรถือนั่นแหละมันถึงเป็นทุกข์อยู่นี่นะแต่ถ้ารู้เท่าตามได้จริงจิตไม่หวนไว้แล้วเออนั่นเราจะรู้ว่าธรรมดาของ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 พิจารณาให้มันรู้มันเห็นผู้ใดพิจารณาไม่รู้ไม่เห็นไม่ละความยินดียินร้ายต่างๆนี้ออกจากกิตใจเป็นนักบวชบวชอยู่ก็บวชอยู่ไม่ได้ต้องศึกษาลาเพตไปสแสวงหาสิ่งที่ตนพอใจยินดีนั่นแหละมันเป็นอย่งัง้น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 โลกเขาหมุนไปรักกันบ้างชังกันบ้างทะเละวิวาทกันบ้างแข่งดีแข่งเด่นกันบ้างเราจะไม่หมุนไปอย่างนั้นเลยนี่มันต้องสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้เราจะอยู่ตรงกลางเลยเขาผู้ที่ไม่รู้ทั้งหลายเขาจะหมุนไป ยังไงตัวยังไงก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่เราจะไม่หมุนตามโลกนั่นก็ให้สอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้ความสบายใจเท่านั้นแหละเขาเรียกว่าหยุดหมุนนะอืมจิตนี่แหละหยุดหมุนน่ะจิตที่ไม่แสดงความยินดียินได้ความเสียใจเศร้าโศก ไปตามกระแสของโลกอนนะนั่นแหละเรียกว่าจิตหยุดหมุนเมื่อมันหยุดหมุนแล้วมันก็สงบมันก็เย็นสบายผู้ใดกระทำจิตใจให้สงบให้เย็นสบายได้อย่างนี้นะครับเป็นนักบวชนี่มันก็พอใจที่จะบวชพติธภูมจันทร์หลอเพราะว่าคนเรานี่อยู่ที่ไหนไปที่ไหนเขามุ่งหวังให้มีความสุขอย่างเดียว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 อย่างไรอย่างนี้นะนก็เพราะตนเองนั่นนะสร้างให้แก่ตัวเองสร้างกิเลสมาเผาตัวเองถ้าตัวเองฝพกใจให้สมาธิให้มันตั้งมั่นลงไปแตมันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งไปในเรื่องที่จะให้เกิดความเสียใจดี ใ, ใจเศร้าโศกอย่างว่านั่นแล้วคิดมันก็ไม่เดือดร้อนเลยมันเดือดร้อนอะไร ผู้กับพุทธภูมิอาจารย์ก็สบายพอใจในการประพฤติภูมิอาจารย์ไปเพราะมันเห็นผลนี่เป็นผู้ไม่พมา่าเนะี่ยนันนี่มันเห็นผลแห่งการปฏิบัติการนั่งสมาธิภาวนาลงไปละจิตใจสบายสงบนิวรณธรรมทั้งห้าไม่ไม่ครอบงำจิตใจได้เช่นนี้นะ แล้วบวชมาแล้วใครจะไปอยากสืกอยู่หันแล้วมองเห็นว่าการไปอยู่ครองเรือนนี่แม้มันทุกมันแสนทุกแสนยากเอาจริงๆนะพอไปอยู่ครองเรือนน่ะมีผัวมีเมียมาแล้วกับมีลูกจะต้องเลี้ยงดูผู้เสือ่เอเนาวถ้าหาเงินไม่ทันก็เดือดร้อนไม่มีอันจะจับจะจ่ายประจําวันไอ้ทุกวันนี้ การครองเลือนจะไม่เหมือนจะเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนธรมคนน้อ ย, ระยะอทรัพยากรธรรมชาติหาได้ไม่อดจากพักต่างๆที่เกิดอยู่ตามป่าก็เยอะแยะเลยไปเก็บออกมาเดี๋ยวเดียวเอามาต้มมาแกงมาลวกกินได้แล้วสัตว์สวาสิ่งต่างๆปูปลาอะไรก็ ไม่อดไม่อยากไปก่อนผู้ทำปานาติบัตก็ไปหาปลามาลี้ังกันสบายสบายไม่มีเงินก็อยู่ได้ตั้งแต่ก่อนนี่นะในทุกวันนี้ทำไมมีเงินแล้วก็เป็นอันว่าเดือดร้อนอย่างเต็มที่อะไรการอยู่ครองเรือนอนะไรอย่างนั้นอะไรอะไรก็ต้องซื้อลองคิดดูคนสมัยทุกวันนี้นะ ถ้ามีเงินหน่อยทั้งที่คล้านปลูกผักปลูกพืชพันธ์ต่างๆผลไม้ไม่เอาแล้วไปเอาเงินไปจ่ายเอาที่ตลาดเลยในอย่างนี้นะแล้วเงินมีเพียงนิดหน่อยใช้แพร่ใจมาหาไม่ทันก็หมดเดือดร้อนคนไม่รู้จักประหยัดใช้ประหยัดจ่ายนั่นแหละเรียกว่าการอยู่คองเรือนนี่นะ มันแสนยากแสนลำบากจริงๆหนึแต่ทําไมจึงไปอยู่กันน่ะเอาแต่ตัณหานี่ขมวดปล่อยตัณหาครอบงำจิตใจเต็มที่แล้วตนไม่มีอิสระแก่ตนนะตัณหามันก็จูงไปหาทุกข์เท่านั้นแหละอก็ต่ตัณหาพระพุทธเจ้าสารรอมเป็นเหตได้เกิดทุกข์นี่มันจะว่าไงแล้วตัณหามันไม่ใช่เป็นเหตุได้เกิดทุกข์นี้อ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 กิเลสตัณหาอันย่ำหย่นี้ให้ได้เมื่อต้องการความสุขความเจริญอย่างมั่นคงจริงจังลงไปแล้วถ้าหากว่าไม่ชำระกิเลสตัณหานี่ให้น้อยบาบางอภอิจจจากจิตใจแล้วเป็นพระเป็นเนรอยก็ไม่มีความสุขไปเป็นคารืหัดก็ยิ่งทุกข์หลายเป็นอย่างนั้น เป็นครือหัดอยู่เอาความอยากสิมันท่วมทน้นจิตใจอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีรถก็ไม่มีขี่กับเขาเอะไรอย่างนี้แหละจะไปมาทางไหนก็ต้องจ้างรถจ้างลาในราคาแพงๆถ้าได้รถมาขี่สักคันหนึ่งก็จะสะดวกสิเอาเงินมันไม่มีไม่พอทีนี้อาบางรายอยากได้หลายก็ไปดาวเขาเอาเข้ามา มีเงินพันสองพันก็ไปดาวเอารถมอเตอร์ไซมาคี่แล้วก็หาเงินส่งมวดเขาถ้าหาเงินส่งว่าเขาไม่ได้เขาก็มายึดเอารถคืนไปเสียก็มีแต่ทุกข์อว่านะเรื่องโลกสงสารอันนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องของตันหานะความอยากมันย่อมหมุนไปตามกระแสของโลก มันเป็นเงินโลกโลกเขาสมมติว่าอย่างไรเป็นสุขสนุกสนานเอาก็อย่าเป็นสุขสนุกสนานอย่างเขา อ, อย่างนี้แหละแล้วทีนี้ตัวเองบุญน้อยอ่ะวาสนาน้อยหาเงินหาทองอะไรก็ไม่ได้ตามประสงค์อืมอย่างนี้แหละทำมาค้าขายอะไรก็ขาดทุนทำนาก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วย เช่นนี้แล้วก็ลงทุกข์แล้วผู้นั้นนะ อ, อย่างนี้นะทีนี้ผู้เป็นนักบวชเนี่ยถึงแม้จะบุญน้อยบวชเข้ามาแล้วพะพุทธธรรมวินัยไปอย่างเคร่งครัดไม่ประมาทเช่นนี้แล้วบุญบา ร, รมีมันก็ยังเจริญขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของบุคคลผู้ได้พบได้เห็น เ, ออ เ, เ, ออเขามีศรัทธาเลื่อมใสเขาบริจาคประจุจตุปไตใจไทยทานมานี่ก็พอได้อาศัยไม่อดไม่ยากสำหรับนักบวดถ้าผู้บาเพ็ญบุญกุศลไปให้เต็มความสามารถแล้วไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากเหมือนอยู่ผู้ครองเลือนนะ่ะ เป็นผู้ครองเรือนนี่ถึงแม้จะขยันมันเปียนยังไงมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากใจเพราะว่ามันมีอุปสรรคขัดข้องนา น, นาประการของชีวิตของผู้ครองเรือนเนี่ยมันพลุงพลังไปหมดเพราะว่ามันมีคู่นี่เนะี่ย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 เมื่อทำไปทำมานี่ยมันผิดหวังอะไรมาแล้วเกิดทะเลาะกันขึ้นมาเน่ะยกโทษกันเป็นกับคุณนั่นแหละทำไม่ดีอหนูก็โต้กันไปโต้กันมาก็เดือดร้อนบางบางคู่ก็เลยต้องแยกทางกันเดินเนียเมื่อตกลงก็ไม่ได้ไม่อาไปต่อกันแลยกันนะมันเป็นอย่างนั้นนี่แต่พจนานการครองเรือนเนี่ย ท่านจึงกล่าวว่ามันยากมันลำบากมากไอ้ผู้ที่มาบวชเป็นพระเป็นเจ้าที่ท่านมั่นคงถาวร อ, อยู่ได้นานบางทีก็เป็นหลว ง, งพอ่อหลวงตาที่มาบวชแล้วตั้งมั่นอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีหรือเป็นชีเป็นเขาได้ครองเลื่อนมากจนเท่าแกชรา ก็อยอมเห็นทุก์ในการคลองเลือนว่าเป็นหนทางแห่งความเศร้าหมองของชีวิตไม่สามารถจะทำชีวิตให้ผองใสได้หตุนั้นก็จึงได้สละบ้านเรือนเข้ามาบวชเป็นชีเป็นภักข์เขาโมนี้นะควรสังเกตสำเนียกดูถ้าว่าการคลองเลือนมันเป็นสุขสบายดี เพื่อนก็คงจะไม่สลละบ้านเรือนออกมาบวชเลยแม้ว่าผู้ไม่ได้คลองเรือนมาแต่ก่อนถ้าผู้มีบุญวัฒนามีปัญญาแล้วไม่ไม่ไมยากอะไรนั่งภาวนาดูก็รู้ว่าโทษของการคลองเรือนเป็นอย่างไรอย่างไรเอนั่งภาวนาทาใจสงบพิจารณาดูก็รู้ได้ชัดเจนเลยมันเป็นอย่างนั้น ไม่จะเป็นของรีรับักบ้อนอะไรนักหนาแต่ว่าคนผู้ประมาทนี่ยนะเมื่อมันปล่อยให้ตัณหาครอบงามจิตใจแล้วนั่งภาวนามันก็ลังคิดไปแต่คลองเรือนนู่นนั่นคิดไปจะหาเงินหนาทองหาหลาภหายศไปอย่างนั้นแล้วมันจะไปเห็นโทษของการคลองเรือนยังไงเล่ออ า, ลาการสร้างวิมานบนอากาศ พอคิดทาเงินทองมก็ว่าได้เงินได้ทอง ม, มากมายเลยในความคิดนั้นน่ะนั่นนี่ได้เงินมาก้อนหนึ่งจะต้องซื้อรถคันหนึ่งจะต้องสร้างบ้านให้สวยงามอะไรต่ออะไรมันก็ปรุงไปนเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างวิมานมนตอากาศั้นเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทีนี้มีแต่สัญญาอารมณ์ซื้ซื้อไม่มีอะไรจะเป็นเปลี่ยนเป็นสานวิ็ตัวเป็นตนเลย ความคิดทั้งหลายคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปยู่เฉยๆแต่ว่าอาศัยจิตนี่มันหลงหลงตัวเองหมายเขาว่าอย่างนั้นหรอเพื่อหลงตัวเองนั่นแหละตัวเองคิดไปในทางแห่งความทุกข์ก็ไม่รู้ตัวเป็นเช่นนั้นเนืองมาหนาเนืองนั้นน่ะผู้เป็นนักบวดต้องระมัดระวังความคิดให้ดีถ้าหวังต้องการความสุขในพรหมจรรย์นี้แล้ว ผู้ใดสำรวมระวังจิตให้ดีไม่ให้กิเลสมันจูงไปตามประสงค์อย่างที่ว่านั่นเนื่อมันก็แสนสุขสบายถึงยังจะไม่ได้บรรลุมรรคผลนรรมวิเศษอะไรก็ตามแต่เป็นผู้มีความสุขอยู่ด้วยความสงบใจด้วยสติสมบัตินี่ประคับประคองจิตอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเวลานาทีไป ไม่ปล่อยให้มันเกิดการมัวิตกพยายามวิตกยาาตกิงสาวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็มีความสบายตามสภาพแล้วเรียกว่าไม่เดือดร้อนอการประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นไปได้เลยว่านี้มันเอง้เราอาศัยความสุขอันเกิดจากความสงบนี่แหละเป็นทุน ให้หมุนให้เราทำความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมแล้วเพื่อบำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อได้ความสงบใจพอสมควรแล้วอย่างนี้นะเดินจงกรมกอสํารวมจิตอภิจารณาร่างกายสังขารนี่ให้เห็นจริงอยู่นั่นนั่งสมาธิอยู่ก็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 ถ้ามันไม่กำหนัดจินดีในะร่างกายตัวเองอยู่นี่แล้วมันจะไม่กำหนัดไปในเรื่องภายนอกเลยเบ่ง น, นั้นมันจะสงบอยู่ได้ภายในยนี่นี่แหละอันมันโกรธก็เหมือนกันเลยแต่ว่าโกรธให้ตัวเองนี่แหละ่อนนะมันถึงมันจึงพุ่งไปแต่คนอื่นเข้าไป แต่ถ้าหากว่าผููดว่าพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงโดยตรยลักษณะญาณอยู่เสมอเสมอแล้วมันจะมันจะไม่รักมันจะไม่ชังตัวเองธาตุสี่ขันห้าอันนี้เลยเขาไม่ใช่ของเราเราจะไปรักไปชังมันทําไมอ่ะแม้คนอื่นก็ไม่ใช่ของเขาฉะนั้นเราจะไปรักไปชังมันทําไมล่ะอย่างนี้นะ ปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เพ่งพี่นาะรัางกายสังขารนี่ให้เห็นเป็นไตรลักษณญาณขึ้นมาอย่างว่านั่นแหละตรงพี่นาะให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนะนั่นันถึงมีอุบายสอนใจให้พงให้วางได้ถ้าหากว่าไตรลักษณญาณหมายความความรู้แจ้ง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 ยานสามยานความรู้ในอนิจจังทุกขังอนาัตานี่แน่ยิย่งเป็นงนั้นเพราะนั้นการภาวนานี่มันต้องให้เกิดปัญญาอย่างลงรู้สังขานนามรูปนี่โดยไตรลักษณะยานอย่างว่านี่นยเช่นนี้มันถึงปรงความรักปรงความชังลงได้ใจมันจึงเป็นอุเบกขาต่อธาตุสี่ขันห้า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 มันไปนอย่างนั้นเมื่อแรกเห็นแรกพบนี่ก็เกิดลังเลสงสัยขึ้นแหละไม่สังสงสัย้วบางคนก็ถือว่าสวยงามเข้ามาทันทีเมื่อเพราะว่ามันเชื่อมันมีอยู่ในใจในภายในนั้นอยู่แล้วพอได้เห็นเชื้อภายนอกเข้าไป มันก็ดูดกันเข้ามาในจิตใจนี่ทำให้ใจหลงละเมอไปตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นก็เป็นอย่างนี้เนละี่ยสายเหตุที่คนเรานั้นจะได้ตกเป็นท่าแถงตันหาทำการทำงานกรรมพ้นทนเด็ดไม่ได้หยุดได้ยังอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะทำให้คนเรานั้นไปทำบาป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 เพงว่าพภาษาพระโสดาบันท่านละสักกายยะทิฏฐินี่เนียเสียได้ลองฟังลองคิดดูอ่ะคือท่านจะไม่เห็นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยความเห็นของพระโสดาบันจะเกิดขึ้นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ร่างกายอันนี้ทุกส่วนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามีความเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกกลับไปเป็นธรรมดา ตลอดบุญกรรมที่นํามาตกแต่งขันห้าอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเะอ่ามันตกแต่งมันบํารุงรักษาไปรักษาไปมันก็หมดไปหมดไปร่างกายอันนี้ก็ทุดโทรมเท่าแก่ชราไปอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่ น, นะ น, นนะแหละในที่สุดเมื่อบุญกรรมมันมันหมดลงไปแล้ววันนี้ก็ร่างกาย น, นี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ะ ต้องแตกต้องทำลายลงเหตุนั้นความรู้ความเห็นของพระโสดาบันที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นท่านยังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพึ่งพากันพิจารณาดูให้เห็นความจริงของสังขารร่างกายทั้งพวงเหล่านี้ เมื่อเรารู้จริงตามเป็นจริงได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของตัญหาจะไม่ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้ถ้าเป็นนักบวชก็จะเป็นผู้มั่นคงภาในพรหมจรรย์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ทำบาปทำกรรมอันชั่วช้าลามุกต่างๆม่เป็นอย่างนั้นผลที่จะต้องได้รับ จากการเจริญธมรมะวิปัสนานี่ขอให้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วกรชุ n พากันตั้งอกตั้งใจกระพฤ้ปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี่ก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญทำให้กิเลสตัณหาโนยเบาบางอกอกไปจากกิจใจได้อย่างแท้จริงดังแสดงมา ขอจบลงเพียงเท่านี้